ต่อไปก็จะพานัง่งพาวนาะกุศลาให้เจ้าของตั้งนโมพร้อมกันนโนะมตาสสปะกาวโตระหาโตาสมมาสมุทัสะ นามอัตตาภาคาวะโตอะระหะโตสมมาสมุท oh ัสสัตว์นามอัตตาภาคาวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสัสาธุ ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอนั่งภาวนาเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์ขอให้จิตของข้าพเจ้า โยงเยือกเย็นเป็นสมาธิรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจงทุกระกันเธอดมุตโตธรรมโมสังโฆพุตโตธรรมโมสังโฆมุตโตธรรมโมสังรรมโฆ นั่งขัดสมาธิหรือนั่งโกบลังหาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาอย่าก้มเกินไปเงยเกินไปอยู่ในท่าปกติพอดีพอดีอดหายใจเข้าออกสะดวกสบายนะ ่างกายตรงๆดำรงจิตให้มัน่นอาณาปานสตินะเมื่อบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เกตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าสินอาสาบากิเลตในทิฏฐธรรมนี้ หรือย่างน้อยก็ได้เป็นพระอนาคามีถ้าใครทำนะใครไม่ทาก็คือหายใจทิ้งอยู่เฉยๆก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทหายใจต้องมีสติคมกิตให้รู้อยู่กับลมอยู่เงันจึงเรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทโอประมาณ ก็คือผู้ตายแล้วนั่นแหละตายจากคุณงามความดีตายจากศีลสมาธิปัญญาตายจากมรรคผลนิพพานไม่มีโอกาสจะเห็นมรรคเห็นผลกับเขาแล้วเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ ไม่ได้มีสติสดังนั่งหายใจทิ้งอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์นะพระพุทธองค์จึงตัดเอาไว้นะบุคคลใดกำหนดสตนะิที่จะนาดูลมเข้าออลมออกนะทางกลางบันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนะมีสติรู้ลมเห็นเราอยู่ ยึงเรียกว่าไม่ประม า, าเทเข้าใจนะเราประมาทไม่ล่ะทีนึงมีอะไรอยู่ในลมหายใจในลมก็มีจิตมีผู้รู้จิตก็คือผู้รูนะ้อาศัยอยู่ในลมหายใจหรือเรียกว่าวิญญาณวิญญาณลมหายใจนี่นแหละคือวิน ตัวใจของเราคือตัวรู้นั่นแหละคือญาณที่ว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณคือความรู้วิญญาณอันบริสุทธิ์ก็คือจิตนั่นแหละจิตวิญญาณวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสหรือไม่มีสิ่งอิงแอบอาศัยอยู่ดูไปดูมาเดี๋ยวนี้วิน ลมยานคือตัวรูมันอาศัยอยู่ด้วยกันลมหายใจนี่เลยมันจะห่อหุ้มเอาตัวยานตัวรูนั่นไว้ลมหายใจจึงเป็นกายเรียกว่ากายในใจของเราจึงคือน้ำกายในหรือเรียกว่าลูก ลมให้ใจก็คือลูบละเอียดตัวใจก็คือน้ำลูบกับน้ำพอเข้าใจไม่ลูบกับน้ำยิ่งอาศัยกันอยู่อุดถึงลูบก็ถูกน้ำอุดถึงน้ำก็ถูกลูบเพราะสองอันนี้อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ลูบกับน้ำนี่ พระพุทธองค์เรียกว่าขันห้าขันอย่างละเอียดพอนึกออกไหมขันอย่างละเอียดเราเห็นแต่ขันหยาบๆนี่แหละขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้เวลาลมหายใจเข้าไปก็เกิดขันห้าเกิด เวลาลมหายใจออกมาก็เรียกว่าตายเรียกว่าขันห้าตายขันห้านี่เขาสมมุติเรียกว่าเราอ่าเวลาหายใจเข้าก็เรียกว่าเราเกิดเวลาหายใจออกก็เรียกว่าเราตายลมหายใจมันจะพ้นปลายจมูกไปชั่วขณะหนึ่ง มันจะทิ้งซากศพเอาไว้ซากศพคือกายของเราเอาไว้ชั่วขนาดหนึ่งเรียกว่าเราตายตายชั่วขนาดหนึ่งนะพอนึกออกไหมหลังถ้าท่านเรียกว่าคันิกะโมระนังนเห็นตัวเองตายไหมล่ะท่านคันิกะโมระนัง เห็นเกิดเท็นตายตายชั่วขณะเดียวท่านเรียกว่าคานิกะมรนังอันนี้ตายแบบปกปิดไม่เฉยใจเปิดเผยปฏิชนะท่านว่าพระพุทธองค์ต่ัสว่าปฏิชนะตายแบบปกปิดเราจึงตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่าเราจะไม่ตาย เราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้นี่แหละปัจจุบั น, นธรรมให้เห็นปัจจุบั น, นธรรมอยู่ปัจจุบั น, นธรรมก็ไม้เอาขันห้าเกิดดับขันห้าเกิดดับไม้เอาวิญญาณวิญญาณ วินคือลมยานคือตัวรู้มันวิ่งเข้าไปในกายหยาบก็เรียกว่าเราเกิดเห็นกายในกายเห็นว่าเราเกิดขึ้นมันวิ่งออกมากว่าเห็นว่าเราตายมันมาปล่อยธาตุสี่ขันห้าไว้ชั่วขณะหนึ่งทิ้งไว้ขณะหนึ่ ง, ง, งก็เรียกว่าตายชั่วขณะ เราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขันห้าเนี่นะเกิดขันห้าตั้งอยู่ขันห้าดับไปมีแต่ทุกเกิดมีแต่ทุกตั้งอยู่มีแต่ทุ ก, ก, ด, ท ก, ทกดับไปอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนแม่นอนหลับมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ อื่นขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้ให้เราเห็นยกขึ้นใส่ไตลักยานู้จากไตลักยานไหมไตแปลว่าสามติเตไตแปลว่าสามลักษณะสามอย่างยานแปลว่ารู้ให้เกิดสติปัญญารล่เห็น ตามความเป็นจริงคืออนิจจังเนี่ยขันห้านี่ขันห้าหรือลมหายใจหรือวิญญาณมันเข้าแล้วก็ออกมันเกิดแล้วก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมล่ะทีนี้ฮะเห็นไหม สิ่งใดเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดมันดับในใจละเอีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะสุขหรือทุกข์กเลยทีน่ฮะนี่นะพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองๆสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตา สิ่งใดเป็นอนตัตตาสิ่งนั้นเป็นเราหรือไม่ใช่เราฮะให้มองเห็นยกใส่ขึ้นใส่ใตลักยานว่าอานิจนจังอนิจจังเอาเข้ามาเข้ามายกใส่ใตลักยาน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 เข้าอย่าออกมันเข้าเองออกเองมันเกิดเองตายเองอยู่อย่างนี้อ่ยกขึ้นใส่ใตลักยานอ่ะงทำให้เราเบื่อหน่ายอ่าขันหา้าหรือเบื่อหน่ายในลมหายใจมันเข้ามันออกมันเกิดมันดับอย่างนี้ ถ้ามันไม่เข้าไม่ออกเราจะทำยังไงฮะเราจะทำยังไงเรามีสาร ะ, ะที่พึ่งหรื อ, อยังเราจะพึ่งใครพึ่งสามีเขาก็ขาขันดอกไม้มาขาดกันนะ <c oughs> ไปเนอะเด้อแม่เด้ออย่ามากุกกักกิด ก, ก, กิดอยู่ อายบ้านอายผู้อายคนเขาไปดีสมสุขซาเขาก็บอกตัวไปเด้อพ่อเด้อนนะไปดำนะขึ้นสวรรค์ซัก็ว่าตัจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนใจจะขาดตอนลมให้ใจไม่เข้าไม่ออกเขาเรียกว่าอสัญกรรมกรรมครั้งสุดท้ายเรียกว่ากรรมนิมิต กรรมแปลว่าการกระทํานิมิตแปลว่าคิดจิตเราทํางานนั่นแหละเรียกว่ากรรมมันคิดมันคิดไปถึงอะไรละ่ะอารมณ์ของเรานี่ยละคิดไปถึงเรื่องไหนเรื่องกุศลหรืออกุศลนะตอนนี้นหะเป็นเครื่องตัดสินกันครั้งสุดท้ายอสัญกรรม กรรมครั้งสุดท้ายกรรมนิมิตคิดไปถึงอะไรความคิดนั่นแหละคือภพของจิตจิตจะไปตั้งอยู่ในภพนั้นภพเปรียบเสมือนเนื้อนาวิญญาณเปรียบเสมือนเมล็ดพืชจิตของเรานะคือเมล็ดพืชมันหล่นไปถูกนานที่ไหน นาอะไร่ะความคิด อ, อารมณ์นั่นแหละคือพบของจิตนั่นแหละไม่ใช่ว่าทําบุญหลายๆแล้วมันจะได้ไปสวรรค์นิพพานก็หาไม่ถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่รู้จักวิธีตายไม่ฉลาดในการตาย มันก็ทำบาปทำบุญปนปะปนกันอยู่นี่แหละกุศลอกุศลเวลาจิตกระดใจกขา ด, ขาดมันจะคิดไปถึงอกุศลก็แย่แล้วทีนี <c oughs> ้คิดไปถึงไปกินเลี้ยงกินเหล้าเมาสุราสนุกเฮฮาอยู่กับกันชายหนุ่มยิงสาว ในวงดนตรีมโหลีโตกไปอบายภูมิถ้าคิดถึงเรามานั่งภาวนาสถานที่ปฏิบัติธรรมคิดเห็นเรามาทำอันนั้นอันนี้กิดก็จะผ่องใสก็จะเป็นบุญเป็นกุศล กิจก็ขึ้นไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถ้าคิดเห็นอารมณ์สุญญาตาว่างสว่างสวัยผ่องใสเข้าใจว่าครูบาอาจารย์บอกว่านี่นะคืออารมณ์พาิในพันวิญญาณอันบริสุทธิ์พุทธผ่องเป็นพุโทโธอยู่นี่นะเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ ท่านบาพระนิพพานเราก็เอาจิตเรามาอยู่ในความาาว่างสว่างสว้ยลมให้ใจดับลงจิตของเราอิะกรรมขั้งสุดท้ายเราก็ไปอุบัติขึ้นในโลคุตะ เหนือโลกทั้งสามนี่ขึ้นไปเรียกว่าพระนิพพานอ่าอย่างน้อยก็ให้เห็นพุทธโทพทธพุทโธพุพุทโธพุทโ ธ, ธ, ธ, ธ, ธ, ธไว้นี่แหละเรามาภาวนาอย่างน้อยก็ให้เห็นลมหายใจเข้าออกเอามันปวดมันเจ็บมันจะดใจตอนลมเข้าหรือลมออกดูดูอย่างนั้นอ่านี่แหละกรรมนิมิต จิจจะคิดมาลู้อยู่กับลมหายใจตัวลมหายใจมันจะมีตัวพุทลูตัวพุโทโธอยู่นั้นถ้าแตกขั้นดับลมขาดตอนนั้นก็ไปจุดตีบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างน้อยก็สวรรค์ชั้นดาวดึงนละ้อ่านี่เขาเรียกว่าฉลาดฉลาด มันเก็บมันไข่อย่าคิดไปถึงเรื่องเก่าเรื่องลังเรื่องไปทําบาปเอาไว้มาคิดดูให้จิตมาเสพอยู่อารมณ์เดียวคือเสพอยู่กับผู้รู้เสพกับนักปราชญ์บัณฑิตเสพกับลมหายใจเสพกับพุทโธอืมหรือทําจิตให้ว่างให้ว่างเป็นพุทโธ อุชลาดแล้วเขาจะทำอย่างนี้ฉลาดในการตายเรียกว่ากุศลาให้เจ้าของสร้างบุญสร้างกุศลฝึกกุศลาไม่ใช่เขานิมนต์พระไปกุศลาให้คนตายกุศลาแปลว่าสร้างบุญสร้างกุศลเกิดจากการ ให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยภาวนานั่งอยู่เนี่ยเรียกว่ากุศลาตายแล้วจะ ก, กุศลาได้ไหมล่ะนิมนต์พระจะรู้เรื่องไหมคนบางคนไม่เคยรู้จักว่ากุศลาคืออะไรอกุศลาคืออะไรกุศลาก็คือบุญคือกุศลเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ย อกุศลาคือบาปอกุศลคือขาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามรมพูดปดหมดเท็จกินเหล้าเมาสุราเนี่เข้าใจน ะ, ะเตรียมตัวก่อนใจขาดก่อนตายเห็นเราเกิดแล้วตายไหมละนน่ะทีนี้เห็นเกิดเห็นดับไหมลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเกิด วิญญาณหรือขันห้าวิ่งเข้าไปในกายวิญญาณวิ่งออกมาอ้อมกับลมหายใจมาพ้นไปจาหมกูกมันก็ทิ้งซากศพทิ้งร่างกายเราเอาไว้แล้วก็ตายนี่แหละ เ, เกิดเกิดแล้วก็ตายไปจากหมูกมันลมสุด ลสุดมันจะไปทิ้งขันห่าขันหยาบทิ้งร่างกายเราเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าขานิกะมอละนังจําได้ไหมละ่ะตายชั่วขณะหนึ่งขานิกะมอละนังแล้วก็เข้าไปอีกเกิดตายเกิดตายวันหนึ่งเราเกิดเราตาย อีกครั้งฮะเห็นไหมถ้าใครไม่เห็นก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าใครเห็นเกิดเห็นตายอยู่นี่ก็จะรีบทำมาหากินรีบกุศลาให้เจ้าของเออเข้าให่นะยกขึ้นใส่ใตรักยาน ให้เห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดแล้วก็ดับก็เห็นมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับนี่แล้มันจึงเป็นทุกข์ทุกขังมันทุกข์เพราะไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครจึงเรียกว่าอนัตตา ไม่อยู่ใต้อานาจของผู้ใดมันเกิดดับของมันเองอยู่อย่างนี้เกิดตายอยู่อย่างนี้ให้เราพิจารณาดูให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ยกใส่อดีตอารมณ์ในสามการอารมณ์ในสามการคืออะไรล่ะรู้จักไหม สามการคืออดีตอนาคตปัจจุบันขั้นห้าในอดีตมีไหมรูปในอดีตมีไหมลมเนี่ยลมหายใจเขาเรียกว่าลูบภายในเรียกว่ากายในลูปในอดีตมีไหมหายใจออกไปแล้วฮะให้พิจารณาดูอย่างนี้ลูปในอนาคต ลมหายใจยังไม่เข้ามามีไหม mm hmm. เมื่อลมหายใจเข้ามาแล้วมันมีไหมรูปอ่ะ mm hmm. นี่ยกใส่อารมณ์ในสามการ mm hmm. ยังกินกิลูปังอาตีตาอาตีตาหมายถึงรูปในอดีตหมายถึงกายลมหมายถึงลมหายใจนะอาตีตาคืออดีต ยังกินจีรูปังลูปังก็คือรูปยังกินจีรูปังอาติตานาคตะคืออนาคตปัจจุปันนังคือปัจจุบันมีไหมหล่ะทีนี้ฮะรูปในอดีตมีไหมเห็นไหมรูปในอนาคตมีไหม ลมหายใจในอนาคตยังไม่มาถึงเป็นอากาศอยู่มันออกไปแล้วก็เป็นอากาศอยู่ปัจจุบันมีไหมไม่มีมีเพียงแต่อากาศาให้เห็นอย่างนี้เราจึงดับอารมณ์ในสามการดับเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จึงจะเบื่อไหนคลายความยินดีในขันห้าคือกายกับใจลูกกับน้ำลูกก็คือลมหายใจใจก็คือน้ำคือตัวรู้อยู่ในลมนี่เขาเรียกว่าขันห้าขันอย่างละเอียดพอนึกออกนะนี่เราจงจะ ลูขันห้าเห็นขันห้าเกิดกับดบพร้อมหรือเห็นความตายาได้ไปอ่านเจอหนังสืออันหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดกับพระอนุน อ, อ น, นเธอเห็นความเกิดความตายของเธอวันละกี่ครั้งพระอนุนก็ตอบ หลายครั้งอยู่พระเจ้าข้านี่อานนท์เธอเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทแล้วนี่ต้องเห็นทุกลมหายใจเข้าออกสิอานนท์นนะ่ะะจงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเดี๋ยวนี้เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกับพาณ น, น, น์้นี่ไม่รู้ว่าจะคล้องเกิดไม่รู้อยคล้องตาย นั่งหายใจทิ้งอยู่เฉยๆน่าสงสารนไม่เคยพิจารณาดูไม่รู้จะเกิดจใตายแล้วถ้าเราเห็นเกิดเห็นตายอย่างนี้เราต้องรีบภาวนารีบสร้างกุศลกุศลาให้เจ้าของไม่กล้าไปทำบาปอกุศ ล, ลอลไรทีนี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 มันจะมีตัวยานลมเรียกว่าวินจิตของเราเรียกว่ายานใจของเราเรียกว่ายานเบื้องหลังของลมมันก็จะมีญานวิญญาณมันอิงอาศัยกันอยู่นะเราจะเห็นตัวผู้ลู่ลู่ลูนเมื่อลมระงับดับลงลมจางคายหายไป หรือเรียกว่ากายแล้งับนะั่นแหละกายลมดบลงตัววิญญาณจอปปากฏขึ้นตัวนี้แหละวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดไปแอบยิงแอบอาศัยอยู่รู้รู้รู้รู้เป็นความรู้รู้บริสุทธิ์พุทธ่องอยู่แล้วเราเรียกว่าพุทธโธเท่านั้น เป็นความว่างสว่างสวัยเป็นศูญยาตาอยู่เป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธรรมโอ้นผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าสงบรู้ว่าลมหายใจไม่มีก็คือเราก็คือสังโคนี่แหละจึงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทที่นยะยฮะแสดงว่าเราเห็นพุทธธรรมสงภายในเห็นสาระที่พึ่งแล้ว กำจัดภัยได้จริงทีนี้หามันจะตายก็ตายเถอะทีนี้เราไม่ใช่โมฆาบุรุษโมคะสตรีแล้วเราได้สรณะที่พึ่งแล้วตายก็ให้มันตายไปเมื่อธาตุจะแตกขันจะดับเราก็เอากิตไปอยู่กับพุทธโธธรมโมสังโฆ น, นี่แหละเขาใจยไหมล่ะทีนี้ถ้ายังไม่เห็นตั้งอยู่ในความประมาทอยู่นะ ตายแล้วไม่มีสารณะแล้วก็ไม่พึ่งไม่ได้นะพึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งลูกพึ่งทรัพย์สมบัติพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งไม่ได้นะใจขาดแล้วเขาก็เอาไฟเผาไฟทิ้งเท่านั้นนะจะพึ่งใครอัตติหิอัตโนนาโถนะนะตนเป็นที่พึ่งของตนตนก็คือใจนั่นแหละใจก็คือเรานั่นแหละทําใจให้เป็นที่พึ่ง ทำใจให้เป็นพุทธโธธรมโมสั้งโคให้ได้จริงจะเรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเข้าใจบ้างไหมละ่ะวิธีทำรรก็อาณาปานาสตินี่เอาอสติมาจับเอาลมหายใจนี่เข้าออกเข้าออ ก, ออกเกิดดับเกิดดับเกิดได้เกิดได้อย่างนี้เอาแบมาลมหายใจจางคายให้ไปก็เหลือตั้งแต่ตัวยานเกิดขึ้น วินละงับดับลงยานก็ปรากฏขึ้นตัวรู้ก็เด่นขึ้นรู้รู้รู้เฉยนั่นไม่เอาอะไรรู้เฉยๆนี่แหละวิญญาณอันไม่มีที่อิงแอบอาศัยเป็นความรู้อันบริสุทธ์ผุดพองท่านจึงมาเรียกว่าพุทธโธเนี่ยนี่นี่เห็นหรือยัง ตั้งในความประมาทนะถ้ายังไม่เห็นนะตายแล้วเราจะพึ่งใครทาจิตเนี่ ย, รร น, ยนี่แหละที่พึ่งอัตติอั ต, อตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนทาจิตทาใจนี่แหละให้เป็นพุทโทธธ ร, รมโมสังโธเมื่อใจอาขาดก็ไปพึ่งอันนี้อ่าพยะพยะแปลว่าภายัย ภัยเปว่าความกลัวกลัวอะไรก็ไม่เท่ากลัวตายมรณาภัยภัยมันมีหลายอย่างอุท ก, กภัยวาตภัยอักขีภัยโจรภัยพอป้องกันได้พอมั้ส่วนมรณาภัยกันได้ไหมฮะ กันไม่ได้นอกจากจะหาที่พึ่งเท่านั้นต้องทำจิตเจ้าของให้เป็นพุทธทำสงฆ์ภายในเกิดขึ้นเห็นสาระที่พึ่งเมื่อมันจะตายก็เอาจิตไปพึ่งกับนั่น อ, อย่างน้อยก็ไปจุดตีบนสวรรค์หรือถ้าเราปล่อยวาง รูปนามขันห้าได้จริงๆก็ไปพระนิพพานเลยเห็นพระนิพพานไปพระนิพพานใจขาดแล้วก็ไปพระนิพพานเลยอ่านี่แหละที่พึ่งอื่นไม่มีดอกพึ่งทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้บ้านช่องห้องหอก็พึ่งไม่ได้มีเงินอยู่ในธนาคารก็เอาไปไม่ได้ มีแต่แบมืออย่างเดียวล่ะอ่านี่แหละจึงจะไม่เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทอืมวันวันนี้ก็พูดเรื่องอาณาปานสตินี่แหละสมาธิคนใดจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เกตโตวิมุตติเกตโตวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากขนาันหา กิจออกจากขั้นห้ามิมุติแปลว่าหลุดพ้นกิจออกจากขั้นห้ามาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เรียกว่าเอกกัดัด า, าลลมอุเบกขาเอกกัดขัดดาลลมมาตั้งอยู่ตรงหน้าเรานี่ยแหละรู้รูู้เฉยนี่อุเบกขาเอกกัดขัดดาลลมคือรู้รูู้อยู่อุเบกขาก็แปลว่าเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้าย อ่าท่านเรียกว่าวิคขำพระนาเวมุตดวิคขำพระนาแปลว่าสะกดชานสะกดขันห่าเอาไว้สมาธิข่มขันห่าเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าตอนเข้าสมาธิเนี่ยอุปกรณ์เครื่องใช้ของเราคือขันหา่าถูกชานถูกสมาธิข่มเอาไว้มันไม่ทํางาน จิตของเราออกนี้จากถ้าจะขันมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวรู้เฉยรู้เฉยก็เรียกว่าเอกข้าตาลมนี่แหละเขาเรียกว่าเจโตวิมุนจิตหลุดพ้นจากขันห้าจ่าฆะขันห้าได้สละขันห้าได้ทานขันห้าได้เขาเรียกว่าทานร้อยคั้งพันครัง้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียว ทานก็ยังมากก็ได้อนิสงส์ไปสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจิตสงบครั้งเดียวอ่าได้พมสมบัตินิพานสมบัติเห็นพรมมาโลกนะอ่าจิตสงบครั้งเดียวเห็นธรรมชาติธรรมชาติรราตเห็นอารมณ์พะนิพานนันะ์นน่ะ เงินล้านเงินแสนก็ซื้อไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ซื้อไม่ได้ซื้ออารมณ์นี้อารมณ์นี้เป็นของสูงของสบายไม่มีอะไรมาเจอือปนกิจบริสุทธิ์พุดผ่องเป็นธรรมชาติอยู่ไม่มาเกาะเจียวอยู่อะไรไม่มาอิงแอบอยู่ในขันห้าไม่มาอิงแอบอยู่ในลมหายใจ จิตจะออกไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เป็นธรรมชาติอยู่ท่านเรียกว่าเกโตวิมุตเข้าใจนะเที่ไหนนะอ้ามีอารมณ์สองรู้เฉยรู้เฉยนี่ทาใจจะขาดมาทำจิตมาลงฝึกจิตอยู่ให้มาลงเป็น น, นี้กำหนดสตพิพับลมหายกายไม่มี เหลือดังแ่ความรู้เฉยรู้เฉยนี่เอาจิตมาอยู่กับอันนี้แล้วก็ขึ้นเข้าสู่พระนิพพานตอนใจขาดได้เรียกว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเข้าใจไมหมล่ะทีนี้ฮะถ่ามันเข้าสมาธิพักผ่อนอยู่ได้อปปนาชาญอัปปนาสมาธิหรือจิตลงถึง ผวังใหญ่ลงถึงฐานใหญ่ผวังมันมีอยู่สามอย่างผวังจลณาผวังคู่บาดคู่กับขณิกาสมาธิผวังจรณะคู่กับอุปจระสมาธิคเขาผวังคู่ปเชเถทาผวังใหญ่คู่กับอั ป, ปนาฌานอปนาสมาธิใครชํานาญแล้วกําหนดสติปักมันก็ลงถึงฐ า, านทันที ไม่ได้ออกท่าออกทากลืมตาอยู่เดินอยู่ก็ไปได้นะไม่ต้องมานั่งสมาธิก็เป็นได้ทำใบธรรมามันเป็นอัตโนมัติกำหนดปับ๊บลมหายกายไม่มีก็เหลือแต่ความรู้ลูก็เอาจิตเราไปอยู่กับผู้รู้รู้รอทางรัดยังบอกแล้วเมื่อคืนเนบื้องหลังของลมจะมีผู้รู้อยู่ผู้ชนานาญแล้วเขาจะจับเอาผู้รู้เลย ไม่ต้องไปจับอารมณ์ผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกอยู่ไหนเอาสติไปตั้งไว้ที่ฐานก็เห็นความรู้รู้รูู้เฉยก็ได้เรียกว่าเราจิตลงถึงฐานใหญ่แล้วลมหายใจไม่มีกําหนดดูมือดูไม้เหมือนกระดาษวางทับกันไม่รู้สึกว่ามีมือมีไม้แข้งขาไม่มีลมหายใจไม่มีก็มีแต่ความรู้เฉย อันนี้ถ้าเราทำงานอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่มันจะลงชั่วคู่ชั่วคราวมันจะเป็นอุปจละสมาธิถ้าเรามานั่งอย่างนี้มันถึงจะลงถึงฐานใหญ่นานๆได้ให้พากันเข้าใจนะถ้าลงถึงฐานใหญ่แล้วจิตไม่สั่งงานจิตวางจากขันห้าแม้บางทีเรามันจะลงมันจะสงบ เรานั่งไม่ทันนะพอนั่งปั๊บกลัวมันจะล้มกิดไม่สั่งงานแล้วกิดจะวางออกจากท่าจากขันระยะระยะที่เราเดินยกกลมอยู่นั่งลงพอลงถึงแล้วขาอย่างเหยียดอยู่คู่ไม่กระทันมันก็นั่งอยู่ท่านั้นแหละออกจากสมาธิก็เห็นเราเกียดขาอยู่มันเดิมเอนั่นนะมันไม่สั่งงานนะมันวางจากขันห้า มันจาาฆาะขันหาเกโตวิมุตนะเมื่อออกจากสมาธิไปเราก็เอาอารมณ์นี้แหละที่เราเห็นอยู่ในสมาธิกิจว่างสว่างสวั่องใสเป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้ มีอารมณ์สองคือลูเ่เฉยลู่กับเฉยอุเบกขาเอกับขัดตาลมเราเห็นในสมาธิออกจากสมาธิแล้วพอเอาสิ่งที่เราเห็นนี่แหละนี่แหละเรียกว่ายถาภูตายานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อกิจสงบแล้วร่างกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีรูปนามขันห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มี มีเป่เอโกทโมรูปก็เป็นธรรมชาติน้าก็เป็นธรรมชาติลาบเหมือนหน้ากองชัยเป็นอันเดียวกันหมดในโลกเนี้ยเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดต้นไม้ภูเขาเรากาสัตว์สาวาสิ่งไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลที่เราหลงว่ามันมีอยู่นั่นก็ไม่มี นี่แหละยะถาภูตายันทัศนารู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อออกจากสมาธิกิดก็หลุดพ้นปัญญาวิมุตตหลุดพ้นจากขันหะเมื่อตายเห็นลูกเราก็ไม่ยินดีไม่ยินลายเพราะไม่มีคนเห็นธรรมชาติอีงอาศัยกันเกิดเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นเท่านั้นท่นั้ได้ยินก็สัตว์แต่ว่าได้ยิน ทราบกว่าสัตว์าะทราบรู้สัตว์ารู้จิตของเราจะแน่วแน่ดิ่งเป็นกลางอยู่อย่างนั้นไม่ยินดียินรายเรียกว่ามัดชิมะมัดชิมะปฏิปทาขอปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลาง mm hmm. เราก็ดับขันห้าได้รู้ว่าขันห้ามันทำงานธาตุขันอิงอาศัยกันเกิด รูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดเมื่อออกมาแล้วก็อยู่ในอารมณ์อุเบกขาเอกคัตตาลมได้จิตก็ว่างสว่างสวัย<ม>เหตุเพียงเท่านี้แหละคือพระนิพพานถ้ามันไม่เห็นอยู่ออกมาก็ต้องมาถอดขันห้าด้วยอีกตรงไหนล่ะเขาว่าเป็นคนกายหรือเป็นคนก็ บ, บอกแล้วเมื่อคืน ไก่ก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเขามาตั้งชื่อสมมุติว่าไกา่เมื่อมาสมมุติว่าไกา่แล้วก็จึงมาสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเอกไม่มีถอดออกมาลือออกมาแยกออกมาแล้วจะเห็นว่ากายนั่นสักแต่ว่าไกา่ไม่ใช่สัตว์บุคคล ต, ตัวตนเราเขานะั่นนะ ใจของเราก็เหมือนกันใจก็เป็นชื่อของธรรมชาติอนหนึ่งเท่านั้นเป็นสมมุติเป็นสมนสมุติไทยสมมุติว่าเป็นใจเฉยๆธรรมชาติที่เราเห็นในสมาธนะิว่างพ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่นั้นเขาจึงมาตั้งชื่อให้ธรรมชาตินั้นว่าใจ ตั้งว่าชื่อว่าใจแล้วก็เป็นลูกเป็นนามเป็นนามเป็นนามธรรมนามว่แปลว่าชื่อชื่อของธรรมชาติอันนั้นใจใจคือนามธรรมเขาใจ ไ, มใไหมจ๊ะเป็นชื่อของธรรมชาติที่เราเห็นในสมาธินั่นแหละเขามาตั้งชื่อว่าใจใจจริงๆไม่มีมีแต่สมมติมีแต่สมมติตั้งชื่อขึ้นเรียก ธรรมชาติอันที่เราเห็นวิญญาณนั้นว่าใจนะใจก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นมันเป็นเพียงสมมุติรูปก็เป็นทำนามก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อตายเห็นดุบจึงไม่มีใครเห็นเห็นสัตว์แต่ใบเห็นหูได้ยินเสียงก็ไม่มีใครได้ยินอ จิตก็มีหน้าที่รู้ให้อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการรู้เรียกว่ามานินทรีโมโนบวกอินทรีย์ก็เรียกว่ามานินทรียาาตามีความเป็นใหญ่ในการเห็นจักรโคจักขุมทลินทรียอินทรีย์คือความเป็นใหญ่หูเป็นใหญ่ในการได้ยิน ใจเป็นใหญ่ในการรู้รู้ให้เฉยเฉยมันไม่มีผู้ไปถือเอาสาัตว์บุงคนนี่แหละถ้าเรามาภาวนามาสร้างบุญสร้างกุศลกุศลคือความรู้ความฉลาดอันเกิดจากสมาธิปัญญานี่แหละเรียกว่ากุศลากุศลาคือกุศลได้แก่ความรู้ความฉลาดอันได้แก่สติปัญญาจึง ว่าจะพานั่งสมาธิกุดสลางให้เจ้าของเข้ายังไมละ่ะเอาวันนี้ก็พูดไปพูดมาก็สมควรใจเวลาแล้วละ่ะสว่างแล้วเอาละอ่ะ๋อเข้าใจบ้างไหมเลยอ่อยยมงอ่อยฮะใจมีจริงไหมใจฮะฮ ะ, อะโอ้มีแต่คนเก่ง ๆ, ๆเว้ ข้างหลังก็เก่งไม่มีไม่มีเลยยอมตัว ก, ก็คิดว่าใจของเราจริงๆแหละใช่ไหมตุกนะใจของเรานี่ไม่คิดอย่างนั้นว่าเั้นนะรูอจากต้นของกิตหรื อ, อยังล่ะฮะต้นของกิตคืออะไรฮะแน่ไม่รู้อีกแล้วอ่าคือทุรุ ผู้รู้นั่นแหละคือต้นของกิตมันรู้รูรู้อยู่เฉยๆเขาเรียกว่าวิญญาณก็ถูกวิญญาณก็คือความรู้นั่นคือผู้รู้นั่นต้นของกิตส่วนเวทนาสัญญาสังขารคือกิริยาอาการของกิตกิตไปรู้อารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าวิญญาณขัน กิมาสเสวยอารมณ์สเสวยคืออะไรฮะสเสวยแปลว่าอะไรฮะโอ้ยมีแต่ปิญญาแต่ไม่ผิดทำไมสเสวยก็แปลว่ากินตัวกิดมันกินอารมณ์พอพอวิ ญ, ญญาณออกไป น้อมออกรับอารมณ์ทางตาหูจมูกร่างกายอย่างใดอย่างหนึง่งจิตก็สเสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาถ้าอารมณ์ดีก็สุขค่วเวทนาเกิดถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ทุกขววเวทนาเกิดถ้ากลางๆไม่ยินดีไม่พอใจหรืออะไรอุเบกขาเวทนาก็เรียกว่าอาวิชาณุสัยตามนอน ถ้าไปสเสวยสุขเวทนาก็ยินดีพอใจก็เรียกว่าลาคานุใสตามนอนกามาสะวะก็อันเดียวกันเข้าใจไหมนี่แหละกามาสะวะถ้าไม่ยินดีไม่พอใจกระทบกระทั่งกันก็เรียกว่าปฏิคานุใสกามาสะวะภาวาสะวะนี่แหละภาวาสะวะง่ายไหมอะไรทีนี้เอาดีๆเลย โมดุลน่ะพาวาสะวะมันกระทบกระทั่งกัน mm hmm. เกิดด่าเกิดว่าไม่ยินดีไม่พอใจน่ะการทุกขเวทนาเกิด <Okay. S 1> ปฏิคานุสัยตามนอนหรือภาวาเข้าใจไหม mm hmm. กามาสะวะคือราคานุสัยพวาสะวะคือปฏิคานุสัยอวิชาสะวะคือความโง่ ความหลงว่าเจ้าของมีอยู่ในนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาวิชานุสัยตามนอนเกาใช่ไหมละ่ะถ้าหลงว่าเรามีเกิดรักเกิดชั่งขึ้นมาได้ถ้ารู้ว่าขันห้ามันไม่มีสัตว์บุคคลมันทํางานเฉยๆจะเกิดความโลภไหมละ่ะฮะเอาจะไปพระนิพพานตอนนี้นะ <laughs> เ, เ, เคยได้ยินไหมละ่ะ อ, อ่าวิชชาสามน่ะ น, นะบุเพนิวาสานุสติญาณยุตูปปาจญยานอาสาวัคคายานเนี่ยตอนพระพุทธองค์กิดลงถึงอัปปนาว่างพักอยู่กิดไม่ได้ทำงานพักอยู่กิดออกจาก สมาธิใหม่ๆจิตนุ่มนวลคู่ควรเกี่การใช้งานท่านก็ใช้จิตตอนนี้กำลังสว่างสวัยน้อมจิตไปดูจิตสัญญาอารมณ์เก่าเคยเกิดมาตั้งแต่ชาติไหนใครเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่นี่ซับเหมือนกับเขาซับให้พบนั้นพบนี้ร้อยพบพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติ ไม่มีใครไม่เป็นพวัวเป็นเมียกันเป็นไปนหมดถ้าน้อมไปดูจบไม่เป็นน้อมจิตเข้าไปดูสุญญตาความว่างอันนั้นจิตแท้ใจเดิมของเรามันจะเก็บเอาสัญญาอารมณ์ไว้ตั้งแต่อดีตชาติมาก็ได้บุเพนิวาสานุสติยานอ้าน้อมไปดูว่า ใครไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนทําไมเขาไปเกิดเป็นอันา น, านั้นอันนี้ก็เพราะกรรมของเขาเข้าใจไหมเคยไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มาก็ก็ไปใช้กรรมใช้เวรเคยไปคบชู้สู่หญิงอื่นชายอื่นก็ไปใช้กรรมใช้เวรเราจะเห็นสัตว์ต้องเป็นไปตามผลของกรรมเข้าใจไหมพ ร, พระพุทธองค์จึงให้เชื่อกรรม เคยไปทําชั่วเอาไว้ก็ไปเกิดชายกรรมเดวไปจุดตูป่าแต่ยานจิตของเราต้องไปจุดติบนที่ชั่วเขาใจญ่บ่ฮะเกีรติศินพ่ออย่าไปนะเอาให้เห็นพุทธธรรมสงภายในให้ได้นะฮะสารณะน ะ, ะ, ะนี่แหละ จุดตู้บาบาต่ยานมันก็เกิดอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะที่นี่เพราะพระองค์ก็ว่าเราทํากรรมอันใดไว้นั่นผาสวดอยู่นั่นเป็นบุญหรือเป็นบาปนั่น <c oughs> เราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นแหละนั่นเข้าใจไหมละ่ะอ่านี่ทีนี้อันญาณตัวที่สามเรียกว่าอาสาวัคคายาณ ยานสิ้นไปแห่งอาสาวิเกลิกิเลสมันเกิดจากไหนเกิดจากอายตนะภายนอกภายในกระทบกันเข้าใจไหมละ่ะอายตนะคือที่ต่อว่อกเกิดของกิเลสมันกระทบกันแล้วก็บอสงส่งไปบวก ใ, ใจใจก็เป็นอวิชชาใจโง่ออยู่ร <c oughs> ลงว่าใจมีจริงๆรงลงว่าเราเป็นใจใจเป็นเรา ใช่ไหมล่ะที่จริงใจไม่ใส่จัดบุคคลตัวนเราเขานั่นเนี่ยเรายัางว่าถือว่าใจเป็นเราอยู่พอตายเห็นรูปมันก็ส่งเข้าไปบอกใจใจก็เลยสเสวยอารมณ์ถ้ารูปสวยาาวก็ราคานุสัยเรียกว่ากามาสวะเกิดเขา้าใจไหมรูปเสียงกลิ่นรสที่ยินดีพอใจ ก็เรียกว่ากามาสวะถ้ารูปเสียงตินลถโพธิภพ ท, ที่ไม่ยินดีพอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดอะไรตามนอนที่ไหนปฏิกานุสัยตามนอนคือเรียกว่ า, าปฏิกานุสัยก็เรียกว่าอะไรละ่ะพระวาสวะ กา ม, มาสะวะภวาสะวะถ้าเราหลงวัดใจเป็นสัตว์บุคคลตัตลวตนเราเขาก็อวิชานุษสัยตามนอนเข้าใจไหมทีเนี้ตัวกูตัวเราก็อยู่ในนี่แหละเนี่ยมึงว่ากูหรือก็อยู่นี่เ <laughs> <laughs> นี่อวิชานุษสัยตามนอนถ้าตามนอนอยู่ในสันดานสันดอนมันพอขุดออกได้อยู่ แต่สัดานมันคุดมันติดไปจนตายน่ยติดอยู่ในสัตดานนี้ถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเราอยู่ในนี่แล้วเพียงแต่อารมณ์เฉยๆเราก็ดับได้ไม่มีสัตบุคคลอยู่ในนี้อาวิชาก็ดับลงนะเมื่ออาวิชาดับความโลภ ก, ก็เกิดไม่ได้ความโกรธก็เกิดไม่ได้ มันโลภได้ก็เพราะว่าหลงว่าเรามีหลงว่าใจเป็นเราหลงว่าขันห่าเป็นเราเท่านั้นถ้าไม่ขันห่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัว ต, วตวนเราเขาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตวนเราเขาขันห่ามันก็ทํางานเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัทธตานี่ยนะตัทธตาเช่นนั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลเขาทํางานอยู่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั้นเองมันก็ไม่มีใครไปถือเอาศูนย์ลบศูนย์และศูนย์ว่างนี่แหละศูนย์ยะตาว่างจากเกิดจากดับว่างจากความเกิดความตายว่างจากชาติชะลามรนะเรียกว่านิพพานังปละมังศูนย์ยัง ศูนย์แบบว่างว่างจากเกิดจากตายว่างจากชรลามรณนะว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเขาเรียกว่าศูนย์ยังเข้าใจไหมล่ะแต่นี้พานังนี่พานังก็ปลมังสุ ข, ขังพอมันว่างจากพวกนี้จิตของเราก็เป็นสุ ข, ขังได้อารมณ์ไหนไหลเข้ามากิจก็ว่างพ่องใส เป็นต้นเป็นพุโทโธธรรมโมอยู่เหมือนเดิมเป็นอารมณ์วิมุตติสุขเขาเรียกว่าพระนิพพานสุขขังอยู่ตลอดจิตไม่ไม่ไมแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์จิตไม่ใช่ให้อารมณ์มาผาสมได้เพราะสติปัญญาเราปุตสลาไว้ดีแล้วสร้างไว้ดีแล้วเข้าใจไหมหละ่ะทางนั้นเฮ้ยเอล่ะฮ เวลาพูดก็จิตแล้วก็ตามไปตามไปไม่ใช่ฟังอยู่เฉยๆเอาหูไปนาองตาไปไล่ไม่เกิดประโยชน์ต้องตามไปต้องตามพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันตามดูมันจะใช่ไหมมันจริงไหมก็เพียารา้องดูไปด้วยจึงจะเกิดประโยชน์อ่าเอาล่ะวันนี้เนาะพอแล้วละพาเลิก